ท่านฟังที่เคารพค่ะขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรายการของเราเริ่มต้นด้วยการนําท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมโดยพระมารชาควโรค่ะท่านอยู่วัดนา ป, ป่าพงลำลูกาคลองสิใครที่อยากทราบข่าวว่าตอนนี้สถานการณ์น้ําเป็นอย่างไรดี่ทนเข้าใจว่าสะดวกพอสมควรทีเดียวเพราะวันก่อนนั้นได้ติดต่อไปกับทางโยมที่ เป็นโยมวัดเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์ครกรทธ์เริ่มที่จะออกไปแสดงธรรมตามที่ต่างๆได้สะดวกมากขึ้นแล้วค่ะมาถึงช่วงเวลาต่อไปเรากำลังจะได้พบกับพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งนะคะท่านอยู่ที่จังหวัดดอนานีนะวัดที่มีการจัดหลักสูตรการหลีกเล้น เป็นประจำทุกเดือนก็คือวัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหานเรามาพบกับท่านผู้อํานวยการหลักสูตรแล้วนะคะก็คือพระภัยบุญอภิปุณโญค่ะนักวิชการนะท่านคะเชจาบานค่ะช่วงนี้เปิดทำที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะพูดถึงรายการของเราเนี่ยก็ล้มลุกมา น, นะคะคือเหมือนกับว่าแล้วแต่ว่าคําถามต่างๆจะพาไปทีนี้ในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการ ปฏิบ le ัติอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่ทั้งที่จริงๆแล้วจะต้องบอกว่าอย่างท่านเพบูรณ์เนี่ยจะชํานาญเรื่องการฝึกปฏิบัติถูกไหมคะก็ถึงได้มาอยู่วัดวัดที่ไกลๆหน่อยได้มีการหลีกเล่นได้มากท่ะที่วัดท่านเนี่ยถ้าพูดโดยเรื่องของการที่ให้ความรู้ประชาชนหลักสูตรหลีกเล่นทําต่อเนื่องกันมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคือทําทุกเดือนหลักสูตรละ10วันไหมคะเอ่อเวัน เวันเนี่ยทำมานานแค่ไหนแล้วคะตั้งแต่ปีสองห้าสองส้าห้าหนึ่งค่ะก็เรียกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นครั้งที่สามสิบสามสิบสามไหมสามสบามนะสาสามใช่ค่ะประจัดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นร่ำเป็นสันจากวันนั้นถึงปัจจุบันนี้ผ่านมาสาสิบกว่าครั้งเนี่ยท่านได้พบว่ามีอะไรที่มันได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงแล้วคิดว่าอยู่ตัวแล้วหรือ ย, ยังหรือว่าก็อยู่ตัวมาตั้งแต่แรกแล้วก็จะไล่ไปตั้งแต่เรื่องของการบริหารการจัดการก่อน นั่นก็คือกว่าการแปลงการจัดการจะเข้าที่เนี่ยก็ต้อง10กว่าครั้ง น, น, นู่นกว่าบุคลากรที่เราฝึกใหม่ที่เราเทรนขึ้นมาจะเข้าที่ก็จน10กว่าครั้งนั่นแหละถึงจะเรียกว่าเข้าที่แลเราก็ถัดมาเรื่องของหลักสูตรหลักสูตรนี่ก็ปรับทุกครั้งทุกทุก ท, ทุกคอร์สมีการปรับหมดเพราะว่าแต่ละคอร์สแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกั น, น, นไม่เหมือนกันทีเดียว แต่ว่าหลักๆ ก, ก็จะคล้ายๆายกันอยู่จะมีการแตกต่างกันบ้าง 5% 10% ในแต่ละครั้งก็จะมีช่องว่างไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อยู่สําหรับเรื่องของทางจิตเนี่ยมันละเอียดลงทุกครั้งทุกครั้งหมายความว่าอะไรหมายความว่าอเอาคพุทธวจะนะบทเดียวอย่างเงี้ยเช่นสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความตับไปเป็นธรรมดาณูยมติวาคาเนี้ยแต่มาท่องได้ขึ้นใจเลยนะอ่านอย่างน้อย30มรอบหมุนอยู่ในหัวอย่างเี้เป็นร้อยๆรอบ เพราะนั้นถ้าบอกว่าไอ้อการที่เรามาใคร่ครวนตรงนี้บ่อยๆทาซ้าๆทาย้ำๆเนี่ยมันมีอันนี้ส่งมากนะก็ททำครั้งที่สิบไม่เหมือนกับทำครั้งที่สามสิบอ่านครั้งที่ส0สิบไม่เหมือนกับอ่านครั้งที่สี่ิบอันนี้ไม่ต้องพูด<ช>ถึงอ่านหครั้งสองครั้งหรอกนะค่ะอันนี้การอ่านเนี่ยถ้าจะทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่อ่านขึ้นมา เป็นการอ่านเฉยๆห ร, หรือต้องอ่านแล้วประกอบไปด้วยการปฏิบัติไปด้วยค่ะผู้ทุกข์ชอบพูดถึงว่าวิธีการนั้นมีอยู่ที่เมื่อบุคคลประกอบแล้วเนี่ยจะเป็นผู้สามารถอย่างลงสู่นินยามเมื่อฟังธรรมอยู่ได้หมายความว่าฟังธรรมแล้วจะเข้าใจนะก็คือไม่ไม่คอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งรายแข่งกระต่างแล้วก็มีจิตเป็นหนึ่งมีจิตเป็นสมาธินะ แล้วก็ฟังหาเหตุผลสองอย่างคือความเป็นเหตุความเป็นผลความ <คะ S 1> สิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับอย่างนี้ค่ะมีะสักกี่เปอร์เซ็นต์คะท่านที่ไปปฏิบัติแล้วเป็นลักษณะที่ว่าไม่ใช่มาปฏิบัติครั้งเดียวแล้วก็หายไปแต่ว่ายังปฏิบัติกันต่อเนื่องอ๋อซ้ําแล้วซ้ําเลา่าครึ่งครึ่งอะ่ะคุณยมเตียวค่ะประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นจะเป็นคนเก่าค่ะทีนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าในกรณีคนเก่ากลับไปเนี่ยค่ะ ถ้าเป็นโรงเรียนปกติธรรมดาเขาจัดป 1, .1 ป .2 เรื่อยไปอืจนสูงสุดใช่ไหมคะใช่ทีนี้อย่างกับคอร์สปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยถ้าท่านจัดทุกเดือนแล้วก็ไม่ได้มีการจําแนกว่าอ่าเดือนนี้สําหรับชั้นป .1, 1> เดือนหน้าสําหรับป .2 ท่านที่ไปซ้ำๆเนี่ยเขาจะได้เรียนอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมหรือว่าก็เรียนแบบเดิมเหรอแล้วมันงอกงามเองอเนื้อหาที่นํามาเล่าให้ฟังนะก็ะจะไม่เหมือนกันอสําหรับคนเก่าก็จะมี ส่วนสําหรับคนเก่าอยู่น<ค>ะเราก็จะพูดเรื่องนี้นะให้เขาทราบมีอยู่ ท, ทีนี้ต้องมาถ้าจะให้วิจารณ์เรื่องเนี้อย่างเช่นว่าในระบบการศึกษาที่เขามีการแบ่งเป็นปอนหนึ่งปอสองแบ่งตามอายุใช่ไหมคุณอา <คะ S 1> ยุเจ็ดขวบคุณไปเข้าปอนหนึ่งคุณอายุสิบสวบคุณไปเข้ามอนหนึ่งอันนี้แต่มาคิดว่าถ้าแบ่งตามอายุเนี่ยมันมันไม่ถูกหรอกเพราะว่าเด็กบางคนฉลาดไม่ฉลาดไม่เท่ากันเขาไม่ได้เป็นไปตามอายุแต่หน้าควรจะแบ่งตามที่ความสามารถของเขา ซึ่งในเรื่องของจิตเนี่ยการแบ่งตรงนี้ยิ่งละเอียดกว่าตามแบ่งเกรดสิบสองอีกปหนึ่งปหมัธยมอะไร่งนี้แบ่งยิ่งละเอียดกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงข้อมูลที่เราจะต้องให้เนี่ยจึงต้องครอบคลุมหมดถึงต้องเป็นคําสอนปริชาตรงนี้ไงก็เหมือนกับว่าครูอาจารย์เนี่ยจะสังเกตเห็นเองว่าสิ่์นั้นไต่ระดับไปถึงขั้นไหนถูกไหมแล้วก็ให้สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมไปใช่แล้วก็เวลาที่เข้ามาถามคําถามก็จะมีช่วงให้ถามคําถามได้ก็จะ การปฏิบัติเป็นยังไงก็จะช่วยเสริมเติมให้ตรงนี้ค่ะดิ๋ฉันเห็นในส่วนหนึ่งของระบบการจัดการในเรื่องบุคลากรส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครหรือเป็นอาสาสมัครทั้งหมดเลยถูกไหมคะเป็นอาสาสมัครร้อเอซอ๋อเป็นอาสาสมัครร้อยเนเนี่ยค่ะแล้วก็บังเอิญมีคนรู้จักกันเนี่ยไปเป็นอาสาสมัครเยอะแล้วก็ไปแล้วไปอีกไปอีกออไปแล้วเออดิฉันก็เกิดความสงสัยนะคะว่าในส่วนของอาสาสมัครเนี่ย ได้ผลอะไรนอกเหนือไปจากการได้คิดว่าตัวเองได้บุญในการที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาฝึกปฏิบัติอ๋ออาส า, าสมัครก็ได้ได้บุญนะคุณยงติว๋วเราจะหวัง อ, อ, อะไรา้าใจว่าน่าจะได้บุญค่ ะ, ะ, ะแล้วก็บุญนี่คือชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นเขาได้ความสุขทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องมามาม า, มาบอกสอนธรรมะ พนะพุทเจ้าไม่ต้องการส่วนแห่งบุญละสบายใจที่สุดในโลกละแต่เพราะองค์ใส่ความกรุณานะในความที่เราเอ้ยเราเคยผ่านพ้นปัญหานี้มาก่อนปฐวะมันไม่ได้แก้ยากเล ย, เ, ยเรามาช่วยที่ทําให้เขาผ่านพ้นปัญหานี้ดีกว่าเป็นคนมีเมตตามีกรุณาค่ะแล้วผลพลอยได้ในด้านของการปฏิบัติไปด้วยเนี่ยได้ด้วยไหมคะอาตมาบอกเขาอย่างนี้คุณโยมสิวบอกว่ า, าสำหรับผู้ที่มาเป็นอาสา์สมัครนะสมมุติว่าเราเราจัด สถานที่เตรียมการอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้คนมาปฏิบัติถ้าบอกว่าเขานั่งปฏิบัติแล้วเนี่ยหรือว่าเดินจงกรมแล้วเนี่ยเขาเห็นความสุขที่อยู่ในภายในแล้วก็ละกิเลสได้หมดเลยเนี่ยจำนวนที่เขาจะต้องมาทุกอีกไม่มีเลยเนี่ยนะเขาเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้นะโอ้ยเราจะได้บุญมากอย่างน้อยเราอนุเคราะห์คนนี้ไม่ให้มีทุกข์อีกตลอดกาลนานสิ้นกาลนานเราไป<ต>ดูแลเขาเนี่ยแต่เขาเป็นคนปฏิบัติได้นะใช่เราจะได้ส่วนแห่งบุญนี้มหาศาล ไม่ต้องพูดถึงปล่อยวางได้หมดจนเป็นบ้านร้านหรอกอย่างน้อยปล่อยวางสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างได้เป็นอนาคามีไม่ต้องกลับมาทุบบนโลกมนุษย์นี้อีกที่ต้องไปกินข้าวเราต้องไปออเข้าเข้าห้องน้ําเนี่ยไม่ต้องมีแล้วโอ้ยยิ่งเป็นได้บุญอีกไม่ต้องถึงอนาคามีก็ได้เอาแค่ว่าวางสังโยชน์ได้สามอย่างเป็นสกทาคาามีหรือเป็นอาเป็นโสรบรนเนี่ยเราก็ได้บุญมาเพราะเขาเกิดอย่างมากกับเจ็ดชาติพูดมาถึงตอนนี้คุณสมบัติของ ท่านใช้คําว่าธรรมบริกรไหมคะหรือใช้คําอื่นผู้ช่วยงานธรรมอ่าผู้ช่วยงานธรรมค่ะเพราะว่าแต่ละที่ก็จะเรียกให้เหมือนกันที่วัดป่าดอนหายโศกเรียกผู้ช่วยงานธรรมนะคะคุณสมบัติของผู้ช่วยงานธรรมเป็นอย่างไรบ้างเผื่อท่านฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านก็เกิดความรู้สึกว่าอยากได้บุญนี้เหมือนกันนะไม่ต้องปฏิบัติเองแล้วได้เนี่ยค่ะอก็เป็นผู้ที่เคยผ่านการหลีกเด้นมาอย่างน้อยสองครั้งอ๋อแล้วค่ะใช่ต้องหลีกเล้นที่วัดท่านด้วยหรือเปล่าคะใช่ใช่ เพราะว่าจะได้เข้าใจกฎระเบียบเข้าใจเรื่องที่ทางเข้าใจเรื่องคําสอนสิเข้าใจสิ่งที่เป็นพุทธวจนะแล้วก็เออจะได้มาช่วยเหลือกันได้ที่ใช้คําว่าผู้ช่วยงานธรรมเนี่ยเพราะว่าเราคือเราไม่ได้เป็นเป็นเป็นเบสหรือว่าเราไม่ได้เป็นผู้คุ้มกวดหรือไม่ได้เป็นขี้ข่าใครที่ต้องมาทําอะไรนะแต่เราช่วยงานธรรมะช่วยงานให้เขาเห็นธรรมะอ่าลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะทําล่ะตั้งแต่ ตื่นก่อนนอนทีหลังเตรียมสถานที่อาหารที่นอนห้องน้ำก็เตรียมไว้ใครที่จะเห็นธรรมได้ก็ก็มาอ๋อค่ะนะคะงั้นก็เท่ากับว่าเงื่อนไขใหญ่เลยต้องไปปฏิบัติก่อนสอครั้งจะได้เข้าใจว่าจะต้องช่วยดูแลยอย่างไรจึงจะเหมาะสมถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็อายุไม่เกิน6กสปีนะ มิเช่นต้องไม่ไปเลยไม่ได้เดี๋ยวเกินอายุอายุต้องไม่เกินหกสิบปีคือหมายว่าเราก็ไม่อยากให้ผู้นั้นจะต้องมาเป็นภาระดูแลทัดกันตัวเองด้วยแล้วก็ทํางานอย่างอื่นด้วยนะแต่ถ้าแก่มากเกินไปก็จะไม่ไหวว่างั้นน่ะคือทิฉันเนี่ยก็ได้กลับมาอ่านพระสูตรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอานาปานสติที่ได้สาธยายว่าทําอย่างไรบ้างคือ ไปแล้วสู่ปาสู่โคนไม้สู่เรือนว่าอย่างที่ท่านมาร์กพูดนะคะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ร่ายยาวไปเรื่อยเื่อยเลยทีนี้ดิฉันอยากกราบเรียนถามนะคะว่านอกจากจะรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นแล้วก็ยังพูดถึงผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่ ง, งกายทั้งปวง ประกอบกับหายใจเข้าหายใจออกนะคะคำว่ารู้พร้อมเฉพาะในที่นี้หมายถึงแค่ไหนอย่างไรคะอ๋อรู้พร้อมเฉพาะนะอันนี้บทเพียนชนะคือให้ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะนี่คือบทเพียนชนะที่ถูกต้องําทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะคือตรงเนี้ยเราต้องเอาไล่ไปทีละ อ, อย่างมันมีสามรู้ไงตรงเนี้ยคุณยมติอันแรกเนี่ยคือสติ สติคือระลึกได้อย่างที่เราเคยคุยกันไปใช่ไหมอันที่สองที่พระเจ้าพูดคือสัมปชานุสัมปชานคือรู้ชัดรู้ชัดแหะประชานาติใช่ว่าประชานาติคือรู้ชัดอันที่สามก็คือปฏิสังเวทีคือรู้พร้อมเฉพาะมีสามรู้ตรงนี้รู้แบบมีสติระลึกรู้รู้แบบรู้ชัดแล้วก็รู้แบบรู้พร้อมเฉพาะ คำถามของคุณยอมติยวคือรู้พร้อมเฉพาะนี่คืออะไร <Okay. S 1> แล้วเอาไล่ไปทีละอ่นรู้ชัดรู้แบบมีสติเนี่ยนะคือเราระลึกได้นึกถึงบ้านนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นี่คือสติส่วนการรู้พร้อมเฉพาะหมายถึงว่าเราต้องฝึกจิตให้เรารู้ทางนี้นะคำว่ารู้ชัดเนี่ยหมายความว่ารู้แบบคือเหมือนกับช่างกลึงอะนะเขาเห็นใบมีดตัดกับไอ้เจ้าชิ้นโลหะชิ้นงานเนี่ยอย่างชัดเจน ก็ต้องเห็นอย่างนี้คือการรู้ชัดส่วนการรู้พร้อมเฉพาะเนี่ยคือเราต้องพุ่งจิตของเราเข้าไปให้ทราบตรงนี้แต่พระเจ้าจึงกำหนดพูดถึงกายนะพูดถึงเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งปวงมีหลายบาัตรมีลมมีกระดูกมีหนังมีเนื้อมีเอ็นไม่ใช่ทัวๆไปได้นะอา่าทำเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเป็นต้ น, นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องบังคับจิตของเราเนี่ยใช้พูดว่างไงเดียว ใช้จิตของเราเนี่ยฝึกจิตของเราเนี่ยให้มันไปรู้ตรงนี้ให้ได้ท่านภูมิคะคือตอนที่ท่านเริ่มต้นตอบคำถามใหม่ๆท่านบอกว่าต้องสังเกตบทพยัญชนะนะบทพยัญชนะตรงเนี้ยเต็มๆเนี่ยมีคำว่าเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาใช่ใช่ท่านกำลังจะให้ความสําคัญกับคำว่าฝึกหัดศึกษาใช่หมายความว่ า, าต้องฝึกให้จิตของเราไปทางนั้นนี่อ๋อคือไม่ได้หมายถึงว่า ค, คือนี่เป็นกระบวนการของการฝึกปฏิบัติถูกไหมใช่ใช่ใชคือศึกษาให้เป็นคนที่ถ้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงก็คือคือรู้ลมหายใจกระดูกหนังท้องเอน็นอะไรพวกนี้ได้หมดเห็นความจริงตรงนี้ค่ะโดยโดยใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นฐานนะโดยใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นที่อยู่อันแรกก่อนไหนะมาเรื่อยถึงลมหายใจเรื่อยๆรื่อยถึงลมหายใจเรื่อยๆแล้วก็ฝึกให้เราเห็นตรงนี้ ฝึกให้ไปทางกายฝึกให้เห็นกระดูกฝึกให้เห็นลมหายใจนะฝึกให้เห็นท้องเห็นหนังเห็นเนื้อเห็นตรงส่วนต่างๆฝึกให้เห็นการเคลื่อนไหวอย่างนี้เป็นตน้นค่ะเคลื่อนขั้วที่บอกว่าย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้รำงับอยู่ทํากายสังขารให้ระงับากายในที่นี้ก็คือพระเจ้าพูดถึงลมหายใจเพราะฉะนั้นพอลมหายใจเนี่ยมันจะค่อยๆระงับลงระงับลงก็คือลมหายใจเบานั่นเอง อันนี้ที่หแต่ที่ฉันสงสัยว่าคําว่าสังขารอันนี้เนี่ยสังขารคื อ, อที่แปลว่าปรุงแต่งหรือว่าสังขารอื่นการปรุงแต่งของกายการปรุงแต่งทางกายเช่นการเคลื่อนไหวของกายเป็นการปรุงแต่งทางกายอย่างหนึ่งทีนี้ในที่นี้เนื่องจากท่านบอกว่าเป็นลมหายใจอือการปรุงแต่งของลมหายใจเป็นยังไงคร <c oughs> <ๆ>ับท่านก็คือการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจก็คือจะค่อยๆระงับลงระงับลงก็คือเบาลงเบาลงบางเงื่อ บางคนที่มีประสบการณ์นะลมหายใจพอเรานั่งไปเนี่ยเบาแผ่วเบามากจนแทบจะไม่รู้สึกเลยะจนเหมือนกับว่าไม่มีใจจะขาดแต่จริงๆยังหายใจอยู่เพียงแต่การรับรู้ของเราน้อยมากเล็กมากเหมือนกับเวลาแบนขยายเข้าไปรวมแสงอะยันสนูนไปรวมแสงอย่างนั้นเล็กมากในการปฏิบัติของทุกๆคนที่ปฏิบัติอานาปานาสติพัฒนาการของการรู้ กายสังขารเนี่ยนะคะลมหายใจจะต้องเป็นลักษณะนี้ไหคะที่เบาลงเบาลงจนเหมือนไม่มีเออันนี้คือลําดับขั้นตรงนี้ผู้เช่าก็ไม่ได้กำหนดเอไว้แต่คือมันมาก่อนด้วยลําดับของคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ที่แน่ๆต้องมีลมหายใจอยู่เบามากอันนี้จะมีได้ทีนี้ในส่วนของคงจริงเรื่องเรื่องอนาปนาสีเนี่ยถ้าดูจากบทพยัญชนะในบางบทเนี่ย จะยาวมากนะคะจะถาม ใ, ในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแต่จะ่ชันคิดว่าเป็นสิ่งที่ถ้ารายการของเราจะมุ่งเน้นให้ท่านทั้งหลาย เ, ยเข้าสู่การปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วเรื่องพูดนี้ก็จําเป็นเจยต้องคุยกันออืคงจะต้องหาโอกาสมาคุยกันต่ออีกแล้นะคะได้ก็จะพูดคร่าวๆง่ายๆตรงนี้ก็คือแค่ว่าถ้าเรามีระลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆนะกระบวนการนี้ก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติได้นะ อ, อ๋อหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเพียงแต่จําแนก ใ, ให้เราได้ทราบว่าระหว่างที่เราปฏิบัติอาณาปนานสติรู้ชัดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่กระบวนการพวกนี้เกิดขึ้นมาแล้วเหรอคะใช่แล้วมันจะเป็นไปยังไงต่อไปท่านกา็อธิบายอะไรแบบ น, นี้แต่ถ้าแค่เรารู้ลมหายใจอย่างเดียวนะกระบวนการนี้ก็จะเกิดขึ้นไปโดยอัตโนมัติของมันได้ค่ะ<ม>นะนะคะเดี๋ยวคงต้องไปปรับเปลี่ยนถามท่านในวันต่อไปเพราะว่าเวลาจํากัดแล้วล่ะค่ะนะคะก็นมัสการขอบพระคุณนะคะสําหรัะะบ เปิดธรรที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะโดยพระเพรบุญพิพุนวันนี้นมาสการค่ะท่านฟังที่รครบค่ะส่วนรายการของเราะะสัมนๆมีสนทนาที่ท่านกาลังฟังในขณะนี้ก็ติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปคำถามของท่านเป็นคำถามที่มีประโยชน์ค่ะส่งไปที่ p พวรม .com/106 หรือว่าจก สมาที่022690006และถ้าท่านต้องการบทเพียรชนะของพระพุทธองค์นะคะไปศึกษาจะได้เข้าใจละเอียดมากขึ้นว่าอ๋อพระพุทธองค์อธิบายไว้อย่างไรแล้วทุกคำมีความหมายมากละเว้นไม่ได้เลยต้องใส่ใจทั้งหมดอ่านแบบคร่าวๆไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้นะคะเังนั้นมีเล่มเดียวก็เกินพอทบไปทวนมาหรือว่าอย่างที่ท่านพิบู์พูดนะคะท่านเอง ได้อ่านบทสั้นๆที่ว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาท่านก็บอกว่าอ่านไปไม่รู้ต่อกี่ครั้งแล้วยิ่งอ่านก็ยิ่งได้ความละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็ลองไปทบทวนในบทเพียงชนะที่ท่านคิดว่าท่านต้องการที่จะทบทวนให้มากขึ้นดูก็แล้วกันนะคะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพุทธวัตสวัสดีคะ่ะ